ภิกษุผู้ทำลายสง์ไม่ต้องไปเกิดในอบายพระอุบาลีทูลถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุผู้ทำลายสง์ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดำรงอยู่ชั่วกับ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 ไม่ต้องดำรงอยู่ชั่วกับไม่ใช่แก้ไขไม่ได้อุบาลีรอีกประการหนึ่งพิกษุแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมอาบัติชั่วยาว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วยามีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นธรรมไม่อัมพรางความเห็นไม่อัมพรางความเห็นชอบ ไม่อัมพรางความพอใจไม่อัมพรางความประสงค์ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัสตว์ทุสัตว์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อุบาลีภิกษุผู้ทำลายสง์อย่างนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรก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 สังคเพทะขันธกะที่เจ็จบ